ปิดใเไมเป็นเหตุผลต่างๆไปต่งมาในต้องการกระสดงทถต่างๆปิดต่างใจกาหนดตามตามมาถือนรักอน แต่ในอกมสุขไม่สบายนอกจากนั้นสิ่งที่เกินได้เิดเห็นในจิตในใจเกิดเป็นไปห้ดังนั้นการต้อง ยิ đi, น, tay, นดน kh kh tay, หนห đi, ứng, ีหนูพอใจในการรับฟังความถูกกดดันบังคับเข้าแต่เราพอใจเรายินดีเราเลือนใสเราเห็นผลในการรับฟังของตนมันเพือ น, นเหมือนกันกับเราดูหมวลสบต่างๆความเพือนในการดูนัน้นขึ้เวลาจับ่านไป หลายส่วนมองส่วนนี้ป็นเพียงเดียวแถนั้นใจมันเชิงในเรืองถึอาละหรือผ่านทผทืกสร้างธรรมหรือวจารณธรรมือปฏิบัติธรรมท่านจะมีทางเชิงในอดในธรรมไบ้เห้ืนกัน ยาเร็มสิมาบกวนจิดใจนึ่งไม่จ ก, กาาความตั้งใจเร็มอะไรนี่เป็สติสามปัญญ์นิ่งเข้าใจสักนะเฉลยวู่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ถอดถอนสิ ม, มาจากความเป็นหนึ่งเข้านันระยะเวลาปีผ่านไปจะผ่านไปมากเนาะเธมันไม่มีการมีสมัย ใจมันเด้กยวจะคำนึงคำนวณว่ามันผ่านไปเท่าไรมันนานเท่าไรมันมันเดีคิดต่อทั้งข้างนอกนอกจตาที่นั่งอยู่นอกกนรู้แต่มันนั่งอยู่หรือมันเป็นอะไรใจมันเดี๋ยวมันเกี่ยวค่างนอกท้หมดกิดรวมรวมเป็นหนึ่งเป็นเอากัตาลมมันปิดรวมยังได้อย่างนั้น เรถอนกินมจากเวลนั้นกลินไป far เวลาผ่านมาน้ำน้ำขนาดน้นขนาดนี้แต่ร่างกายขอเรากระดกเสียไหล่เหนื่อยหัวจิตมดนไม่ดึงเกี่ยวักลามันเคือนไปได้แต่ความสุกความสบายอยู่นั้นเหื่อยเน่อยู่อย่างนั้นมันเป็นความสุกี่เราห็น เฉพาะเรืของเราคนอื่นเท่าไหถึง จ, จะเป็นจะยกเหพาดีอยคย่างนั้นสบายอย่างนีง้นอกจากนี้ทางถ้ามัมามาเป็นนามธรรมเป็นธรรมเฉพาะของตัวผู้ปฏิบัติเหนนั้นผู้ดเห็นผู้เป็นยึดเป็นหดอย่างนั้นทา่านจึงเชื่อมั่งมาในโลกอันนี้ไม่มีอะไรอีกจะตกยึตาง สงบห้องใจมักสืบสืบพลังสุขขันสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบในนี้ความสงบหงใจนี้เป็นความสุขวิเศษลเอดรมีความสุขอื่ในใดในเลกทีจะเียบเทาเทียบคิงฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจริงมาสอนพวกเราให้งสงบ ใจโดยส่วนใหญ่มันไม่สงบให้มันจึงเกิดทุกข์เกิดทุกตายก็ยังมีเวลาพักผ่บนหลับนอนมีความสงบเป็นการเป็นเสมอนใจใจนั้นมันมีทันเวลาเมื่อเราตายดูบ้างทุดป่งเกี่ยวกับปัญญาเรืุ่ตเดือดตลอดรเวลาใจจึงมีกาลังใจแขง จะสนาดถึงเรื่องต่างๆที่ควรละควรบำรุงอรบอกล่ยเอาหมดเลยเป็นถังเกลี่ยอะไรผ่านมาเปเกลีย่ยเอาเกีย เ, าเ อ, เ อ, เอาแเนาเน้มแก่เจ๋หาอย่างไรมีสัญญาจะดีดนิสัคขับร่างสัญญาอะไรออกจากใจทั้งตัวใ จ, จวยิ้มตกกมีตลอดเวลานี่ั ตาอ้าเหนาห น, นทำให้ตัวพองตัวเป็นทุกข์หนคนที่ยดัดปฏิบัติรักษาอดทำจะมีข่าของเงินทองมาถนาดหน่็นยจะมีโอกาสเวลาที่จะปลุกใจให้ตัวน่านเรามาปฏิบัติ หายใจของเราคิดว่าอารมณ์สัญญาต่างๆที่เคยคิดมาเป็นมาระยะยาวนานความสุขความสบายของกามติดเต็ม้นแล้วก็สร้างเด็กฝังมันแค่ น, แนั้นมันมีอะไระจะสืบสังคิดีกแล้วต่ต้อ ใจต้องปลุกอะไรแต่ดังนั้นเวลาล้วนาจะดีเวลาเรานังังธรรมตื่นละเอียดติดใจงานอะไรไม่ดึเกียวเราก็พยายามล่อยสงยารื่อทุอ่งที่เคยคิดเคตืนั้นใหาตกให้หายออกไปอย่ามันไม่เกียวข้อกับจิตับใจถึงจะเจอสิ่งภายในทรืผ่านมาตกแต่ัไป ราได้เก็บอาไว้มีคือการรักษาใจทั้งตัวเกีเ่ยวบความสงบหน่วใจสงบมันจะมีความสุขความสุขของใจนั้นจะเห็นได้จากกา ร, รเราฝึปฏิบัติทัาทางท้งตัวในใจคนอื่นจะเอามาใหา้คนอื่นเพี่งแต่งแงสอนวิธีทา เกใ้จิตของตัวเขาสู่ความสงบเพราะการหักแห้งหลับใจสัญาอารมณ์สงบในยุ่นเกี่ยวสัาอภายในเกิดสึ S <S ้นลังเลเอวะมันเกิดขึ้นเทอะไรานดับไปตามทํมาติท้งันไปไปยดตหนจิตนภายใน รักษาบทบริธรรมคนตัวอ้วนหรือจะเช้งสิ่งหนึ่งสิงได มันหมายถึงสมัยผู้การผู้สมัยมันแตกสลายแล้วมันจะเป็นดินจริงๆเมื่อปิดใจเหนว่าเป็นดินไม่มีฝักมีบุคคลเป็นดินเป็นถากดินถากดินนั้นมันเลคยยินดียินราวจากอะไรเขาจะ ตอนนนดินก็ไม่ค่โกรบเขาเผาดินนั้นก็ไม่ร้อนไม่เคียดใเขาจะเอาดินนั้นนะตั้งเป็นรูปต่างๆตระกร้บุษาดินก็ไ่เยดินดีดินร้ายดินดินเต็มใหญ่หนังไม่มีจิตไม่มีใไม่มีอะไรเขาไปยึดถือ ดินมันสงอยู่การเลี้ยงขรงมันมนมีอะไรที่จะเกิดความดินดีดินร้ายเป็นทุกข์เป็นยมมีใจได้ทั้งทางเหนือเราท้องขอเราไยิ้ว่าทางไม่เสียเวาค่าตัแหยาบไ้เรงรุ่นความเหลืองของติดเหนืดทำห้ตัวต้งปวดร้เป็นทุกข์เพราะมัขาาเหตุและมหล ไปทำหมที่มันหลงก็คือใจมันเหนือที่แยองหนวเหยียดจริงกันว่ากาอันนี้มันมีอะไรบ้างที่มันประกอบกันเข้าดินแง่ลมฟ้่มีเปงนทางใหญ่ที่เรามองเห็นกันดินกบจรคงๆแข็งอยู่ในกาทัองเรา เป็นผาดดินผสมผลึกปังหนัง้ออนกระดุเห่านี้เป็นต้นน้ามีนวดหนอนลายหนอนตาดีหนอนกระดิมันมีอยู่ตรงนี้มันเลีบมันเหลืองนอนหนองต่างน้ำฝนเหมนกันถ้าเป็นน้ำธรรมดาเป็นน้ำปิงจังมันไม่ีอะไรที่จะกทุกก่อก จะเอาไปต้มไปร่างของกตะกบงานเสร็จแล้วเปลียนว่าอันนี้เหมือนนจะราจะไปทำเป็นหนึ่งหนึ่งนไปอาไปส่งงานเ็จแล้ดีใจเสียใจกับไข่งานจริงจังเนด่างนั้นคนไทยก็เหมือนกัน มันเป็นของคุณมดาคงท่าหลิมมีจิตไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นทั้งเราเข้าเข้าใจจิตนี้มันไปยึดไปถือมาแต่ไหนแต่ไรหรืออา่าตาเพื่อต่อแหน่งขางเราก่อแหน่งองอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเอาความมุ่งอยางนั้นมาคับถุนจิตใจของตัวมต่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น หลงตัวของตัวจะไปหลงคนอืดนแต่นั่นเรื่องการทุเจนาทําสียทำร้ายใจใส่รู้สึกใส่ใจสงบใส่ใแหายทุกนอกจากทำทำของเขาพระเจ้าไม่มีทาอื่นอื่จะศึกษาอื่นจะทำร้ายใจได้จะเอาเสาทองเงินทองบานสองมั้ทรายใจไม่มีทาง ที่จะสงบสุดยิ่งได้เพราะว่าจะยิ่งซึงกังไปใหญ่ยิ่งหลงกังไต้ใหญ่จะหาเอาธรรมะของพระุตรปิฎกมาชำาะใจใจจะสงดใจจะสุขใจจะสงบพอใะรู้เหตุผลตามเป็นจริงเท่านั้แต่ใจจะรู้เหตุผลยอมจำนนว่าเป็นจริงอย่างนั้นก็อาศัย ใจมีความสงบหายใจยังไม่งสงบเพียงคิดตึงตึงไดเอานเดียวมันแก้ไขไม่ตกเรื่องขใจเพราะคิดตึงอย่างนั้นมันเป็นปัญญาไปมันไม่สามารถจะละขัดเพราะมันเป็ น, าาาานปัญญาให้ทางศาสนาถึงจะสอน แต่เรียนใจแต่มีสมานิหนักแน่นของใจทาเรียเรียนของใจแตเราทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพิปฏิบัติดดั้งต่อเหตุใจว่ารุ่นยิงว่างตังแต่ตั้งเกิดเป็นกระทำติดดั้มันมีความสุความสมาอะไรมันได้อะไรเป็นทพอใจ กระพบใจอัศจรรย์ใจมันจะไม้มีอะไรไม่ว่าตัา้งแตเราตัดอื่นเขาเกะเลี้ยไหลเพื่อเพวิไปได้เหมือนกันกับมนุษย์รเพียงแต่เรื่องของรลกตัดมันเป็น <c oughs> ไปได้อย่างนั้นมันก็มัม่มีสิทธิามสิทธิต่อกันเนค่ยควรคุมไมาได้ผู้ชน ะ็หลงการเพียงแค่นั้นเทียนแค่ทัดไม่มีอะไรจะเสดวิเศกว่บเป็นมนุษย์เป็นชากที่สู่สุดไม่นหนี่อะไรเพราะใจมันดำใจมันเล็กมันดมันบกมันเหนื่อสบายสบายไม่มีความประทับใจในใจก็ั้นตามปฏิบั สิ่ที่ทำให้จิตใจของเราท่านพอ้าถึงความสงบนั้นต้องอาศัยต่างใจทําริงจังจงบจับกำลมหายใจสุนทนเพ่งรายโยกับกรษฐ์ เ, เพื่อเปลี่ยนลมของเามันออกบันเข็าถ้ลมนีน้เป็นเหลี่ยมลำไส้หมดลมทั้งนั้น นั่นก็มีความไหนตายอันนี้เขาค้อเงินคล้องั่ช่องเะมากขนาดไหนนั่ น, นก็เรามีอะไรที่จะมีความไหนถ่ายเงินไมใกายถึงประโยชน์คนตายคนนั้นจะเจอเป็นงานขนาดไห น, นตกล่ายคุ้มค่าไม่มีใครส่งการจายทไหนลมจึงควร ที่เจอมาควนเพ่งเขี่ยลมมันออกบา้างครับเป็นปิดของเราอยู่กับลมเล้่อลมจะละเอียดลงไปละเอียดลงไปเป็นลมขาดมันจะรู้จะขอยใจในตัวลมหายใจถามเีเวทนามีทุกข์แม่ของเราเลมหายใจตัวแรงทาจิ ใหญละเอียดโผลไปรวมโผล่ไปในแอบในทำละเอียดเทละเอียดโผลไปเนั้นมือลมออกมาทางกมือออได้ทุกขุนขนรวละเอียดมือือจิตมันเรีมันก็หยดลงไปเรืมมันจะเลยหายไป ในี่รกสมาบเราม่ลมหายใจคนอยู่ในทานเรไลมหายใจคนดำน้ำราม่ลมหายใจมีเราเคยเห็นเคยเป็นไหมลมละเอียดอย่างนั้นเราไมเคยเป็นเพราะเราไเยสึกเคยปฏิบัติแต่เราเคยฝึกเคยปฏิบัติเราจเห็นจะเป็นแนวความละเอียดของลมแเรามีปัจิกาหนดเกียจ่อ ตา้งน้ารักษาเร่งที่ใจในใจมันจะละเอียดถูกใจใจมันจะสงบใจมันจะรวมมีกา่งรายโยกจิตเรื่องภายในเห็นไฟความอบอุ่นก็ได้ในตาของเรามีความอบอุ่นมีถัดไฟอันหนึ่งมีโยกของจิตจิตนีต้ไงจิต น, นีต้หรอ ที่ตางสาไรในวิที่มรรคมันจะมีเข่ดินตไหนที่ทำเรื่องกัะสินขึ้นห่จากตัวองเสองต่อพื่เน่ต้องกำหนดเพ่งเดีนั้นผีดินนั้นเกาเอาดินตป็นผีเอาวนผีผีเอาแสงอาวนผีนั้นซึ่งมาใหม่ เลือเหลืองแดงนนน่ะแต่มนีสีดำสีอื่น่วนเกลือไม่เทียงเดียวหมมันกินอก่กันบาวแล้ตอนนี้อันแหนาดเท่าเคยที่วิเชียรมามืก่อนเพราเพ่งเท่านั้นมันตกแต่ทับดูใจมันดุมันไม่ตืนจิตไปเรื่องอื่น ลนอกจสิงนั้นโผล่มาใครไหมพอหลักตาเั่าไป่ใสิงนั้นมีหตุคนทนินี้นิดสเพ่งจนเป็นอุกเหตุนิดที่ติดไม่ติดหลักตาไม่เคเห็นเป็นเดียงจากสิงอย่อยานี้เราเพ่ ง, ง, งจิตเราอยู่เนแตจสิงเสมอไป ตนนี้ตอานังเข่าเราจะขยายใจสิ้นใหญ่กว่ากันาได้ใออกไปท่าไหไหมเล็กทำไมขยาใหญ่ออกไปอยู่เนี้ยีสเอะรติด้ามตัดสผลทาตามสุขเริ่มจิตเดี๋ยวเรามาเสิ้นดีนเจ็บสิ้นเรื่องกร่เทียมเราดี ในหน้ต่างที่ลมมันพัดตึงไหมก็เพ่งได้คือที่นี้ น, นีไ่ทางไก่สินรายยวคนสินมันเป็นไปไนดะ้ทำเ ง, งินติดใจสบายทุกอย่างจิตใจสนนงบมีเงินเหลืองไก่สินในสุขุมัสจะถ่ายย้อนขามาเป็นไก่สินภายใน จะดูกายดูใจขางหลังนี่ไคเพ่งไปเราจ้นอื่นโดยใจจะเพ่งโดยเห็นที่เราเห็นดินน้ำลมไฟมันจะอยู่ในกายของเราผมเพียงพมาภายในที่ไม่หลงภายในถ้าหัวใจภายในถ้าจิตมันยกพมาภายในมันจะสงบรังเง็บเพราะสิ่งอายในนั่น จิตเอาเกี่ยวของมั น, นจึงยึดถือจงสงค์คำ ห, หนังหายแต่ิตวิเคราคห า, ายในดูภายในให้ใจตามเป็นจริงแล้วมันเม่มีอะไรที่จะหลงไหลโลกอันนี้มันเป็นกายเมีใจถท่านั้นเราหงไหลใส่ขันถ้าเรารู้เรื่องของก า, ายขงใจเราเอียงตามเป็นจริง ทั่วไปในรูปั้นตัมนีจะรูปกับนามม้นกันมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราหลงไหลตืนเป็นเพ้อเพลจิต่าเรื่องของตัวทั่ถึงตามเป็นจริงแล้วมันจรมีอะไรที่จะสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจิ อยาวได้กำลัดยินดีจะมีไหมเพราะเห็นในกายของตัวปวดถึงกายอันนี้ตามที่ไม่ขาดทั้งนันแล้วมันเป็นของฝุ่นๆกย่าของฝหกหนาว่าหนาจีหนากวดอะไนเปื้อยออกมาจากเอะไรเลยก็เป็นของฝุ่นๆเพียงแต่ตาม เมื่อตามตัวตามจิ่งจะเื้นผ้าแล่งจท้องสุกสุกีเสืผ้าตีหุ่นหอกแม่งแม่งเนื้อสับเนือสเขาก่อนี้กิ่นเมือนสาเหมือนโขขึ้นมันจะแด้ว่าตายมันเป็นทะกสยิงวิอเขาไป้ายแม่ดูตัไปใส่ซุ้มเ่ออสกสุทน้แต่จิใจของตัวเราแข็งมนเลเห็นอย่างนั้ เป็นส uh, ิ่งพวกนั้นมันเป็นคามทันว่ามันสวยมันงานนี่รักแหน่ชอบแหน่ดูแหน่เกกันเพราะเมื่อด้กที่แกาดั่นทานะที่เงาไ้เลกเรื่องตันแหงใจจริงเลือกบอดมาตลอดเวลาในนี้ความเห็นเด่นชัดแปลงนสิงในทให้แ่มันเหยน มันเป็นเพียงทั้งมันแล้วเพียงรู้ตัวว่มันเป็นอย่างนั้นนั่นตอป่าผัวไปหมดนิ้วอดีตอนาคตที่เลันไหลไปฝันยึดหน่นกันกพอะไรเพราใจเลยเห็นความจป็นอย่างนี้ความเห็นอย่างนี้นั่นเลยมีอะไรที่จะ้องอกาหนัดยินดี่ลยใจอันนี้ มันเราชวนตันเข้าของเหน่าของเหน็ ง, นน ม, งมันวมกันอยู่หยิบก็มา่อมไหลเราของเรามันง่มันชั่วขนาดไห น, น, นมันจึงไปยึดของเหน่าของเหน็บมาเป็นเราเป็นของของเรามันจะมีปัญญาที่จะมาสอนตัวผ้หนหลอกจลอนม อย่างคนอืน่นภายนอกมันกลมๆกันมั่มีนใครที่จะดีเด่นพิเศษเพราพอันนี้มันเป็นกน้นนนนนอนเล็กที่หนึบก่อนนั้นนี้มันเป็นของอันยุ่งนังด้อยในตั้งนี่มันแกะสะาัดเท่านันไปตามในทีพวกนั้ตลอดนี่ เราจะรักษาเยดยวยาขนาดไหนต้องจะมีวิธีทีจะรักาได้ในอย่างนั้นคนต้องจะตายรับคนที่มีถกของเงินทองกจะต้องรักษาเยยาถากทังองตัวอยู่ได้เปนานจนปีแนีไม่มีไม่มีท เกิดมาหน้าผีพวกมันแกเปลี่ยนไปอย่างไรมันก็เตลี่ยนไปตาหน้าผีพวกมันมีืออย่างนั้นมันเหนื่อยฟงเสียงรลับมันแต่มันเหนื่อยลับเรามันจะเตลี่ยนไปตามหน้าผีพวกมันอยู่ตลอดเวลาจะนั่งภานาอยู่ก็ตามทางานอื่นอยู่ก็ตามหลับนอนอยู่ก็ตามเ่องความแก่ความแปรวสลของธาตันมันจะ เป็นไปตามหน้าที่ของมันเหมือนตอวันมันขึ้นมาแล้วเขาจะทำการทำงานจอตามจะเรียนจะเพิ่มอยู่กับกานมาถึงเพราะมันจะขึ้นเรื่อยมายเที่ยวมันจะบา้เหมือนที่สิดก็ตกหัวแข็งชีวิตของตัวเราทั้งหมดไม่เดียวกันมันจะเป็นเด็กดูได้ก เทาเดียวางนั้นในชีวิตมึงถ้านเกีกเรน่อไรมันตัวแก่เรื่อยไปมีงเหมือนเดือนข้าขึ้นมันมีวามจเริญขึ้นคือมันแก่แก่ขึ้นทุวเวลาแก่แก่จนตวสว่างสวายพอันมาเพแล้วแก่เริ่มต่อไปในชีวิตต้องเราเพ่จะมีาเริญขึ้นในว จะเรียนที่มันก็จะนั่งเดินเที่ยเล่นนับวันเวลาจีอะไรวะร่างกายมันจะหมดเหยื่อแรงจะนอยงลงไปตาจีเกยทองใสก่จะสจะฟางเข่าหูก็จะบหมวกจะตึเข่าขนจีดกดำก็จะงอจะข่าเข่าฟันจีเกเ็วจะยดจะท้อง อตาหมากผีพวมันจนลุกนเลี่ยงไปหมันเราทำเราอะมันกป็ีอย่างนั้นหนูซือเหลืองอันนี้จังองท่าแข่งกะงท่าแข่งทงเราตายทังเราเราอย่างรักษาในบดเป็บัดอันอื่นสิโลหนเหัวยึถือมันก็ไหได้อีกเหมือนัยึดถือแม่ขนาดน้ก็ไม่มีใคร มีอ้ที่ิที่จะแบบแขเนะมเราไปได้เพิ่มมโค่เนี่ยกายขนเปนเดียวขนเป็นเดียวก็ยังเาไปได้แต่เราตีนี่ที่เวไนย่างนี้จิตใจของเราตีเคยเหงื่อหไหล้ถึงตืนยากไนดะ้มันเป็นหเตัวโคนี่มันจะม่เด็ก ยึไปถือไปกินไปคิดท้อกินอะไรนั้นจะหลงไหลใส่ขันก็เอาไปไม่ได้ใครก็ยังเอาไปไมด้มันมีทางสอนใจผูตู่แต่การที่จะสอนใจผู้เสียได้จริงจริงได้ก็อาศัยการศึกษที่บัเหตุข้อเราสงบสงบจากสังเเด เมา่อก่อนเราจิตมีกำลัำงโดยพักผ่อนในความสงบมาทีนี้ที่เจอมาอะไรถึงเราเจอ ส, สงสัยเจอติดข้อง <c oughs> บังญาของเราหมันจะจอบจ่อแยกแย้และถัด่ากออกไปในความสงสัยอย่างนั้นใจนันจะถูกกระจาย เพราะการนึดแ่ตัวนม่ที่เคยมีมาตอนเพราะมีตัญญาตัดลาถอนยิ่ น, นั้นมันขาดออกไปแหละ บ, ะบางสบาบางสบายลูกมีเสียงมีดินมีรถมี ม, นมนันก็ไม่ติดเหมือนส่อนถ้ามันแกลยดไขถอดถอนด้วยจติตันญาด้วยธรมะ มีในใจกาปปรปฏิบัติธรรจริงจำเป็นทุกคนที่มุ่งความสงบสุนะครับโดยเม่อทำแบการปฏิบัติธ น, นั้นในจำเป็นอะไรขอห้มีสต์ควง ง, ง, งินทงวัตถุพอแล้วมีความสุดมีความสบา ในตอนไปจะติดบัตรอัดทำอะไรเราจะมีสุขตายสุขใจเต็นที่แล้วถ้าคิดอย่างนั้นไม่มีวันที่จะเจอให้พอคิดแค่าำต่อไปแต่ฝากเคยมีสมบัติเงาเยอะสำเร็จเสร็จคุณอยากสมเด็จทางเราจราจะมีความสุขแห้ พอใจมันอิไม่เก็นพอใจใเก็นในความอากแทนข้าแม่ผมจึงไ่วนักปัญหาสมาธิแหน่นั้นเสนอเดี่ยตปัญหาไม่มีตัญหานั้นมันใหมันโตมันกว้างมันลึกมากไม่มีวันี้ลาไมนมีอะไรคือจะไม่รักได้หรือมก้างขนาดไหนลึกขนาดไหนแหน่ ตแต่เรายังมีทางซับได้แต่ไม่วางขนานั้นเล็กขนานี้แต่จิตใจต้องคนที่กัญเเสนเรมีทางนอกจากทำนั้นจะไปวัดดูหรือใปเทิดใจความอากของใจนั้นถ้าไม่มีธรรมะไม่มีปัญแม่สอนแล้วแล้วม่มีวันสงบไม่มีวําคล้องให้ ไดอเอานิ c, inh, này, mình, m m này, ้วหยาดอันนี้แต่จอนใหที่นีใจมาเพิ่มความสงบของใจนใจนี้ความสงบเราที่นี้ใจนอะไรกิ่งต่างๆนั้ที่เราเคยสงสัยของใจไม่จะจับในจิตในใจทั้งหลางนั้นมควาหนืยส่ฝัมความยดมั โยกขว้าเพราะความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นจากวัตถุมันเกิดขึ้นจากใจของเราใจขอเราไปโยกข้างทำได้ไหมคอยยินดีมีสุขแต่สิงเหล่านั้นมันเป็นของอนิจจังลรวไปจากมันมันไป จ, จากเราเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้นมันจากเราไป้วยอําเนื่ ใจที่ไม่มีธรร ม, มัไม่มีสติปัญญาเม่ร่งว่อนเห้นหายไปอันนั้นเสียไปเกิดความเสียใจเป็มทุกข์มันเกิอยู่อย่างนี้มันกมึมมีความสุดที่เหน่อนอนให้หากคนที่มีธรรมะมีสติปัญญารักษาใจทั้งตัวที่เจอในทุกข์ในทาย ความยึดแม่งคือแม่อะไรมันเป็นเราเป็นของของเราจริงจังที่แกมาเดี๋ยทํารมะเดียสติเดี๋ยวสัญญาให้ใจจริงจังแล้วใจวางลาภอติมเอนนั้นให้ตกออกไปในใจยึดใจติดข้องติมเหมือนนั้นมันเป็นไปตามธรรมชาติเท่านั้นจะขราบอยู่แล้วเรี๋ยวเดี๋จวุ้ยทราบตอย่างนั้น คืออะไรนนทงกว่าอันนีเสียหาไปดี้หเมื่ออันนี้เลี่ยเสียหาไปที่ไหนอันนั้นแาที่ของมันเกิดขึ้นแก่ตัวแล้วขายไปมันก็เป็นแม่ที่ของมันตัวไปเสื่ล่านั้นวันนี้เสีหนอะไรไปบางทีมานมีแทนเสียใจหรือมีผลบัตรข้องอะไร ถ่ายใจสงบใจนีอาจมีธรรมใจสุกใจสบายจะดีไหมสุดท้ายขี่ได้ก็ามีความสุขใไม่เป็นทุกข์เมื่อไหาใจอยู่เมื่อจะตายก็จะเป็นทุกข์เพราะอะไรตายเราจะคาสมมกมันตายกายอะไรดินน้ำลมไฟละไก็นตายมันแตกแสวงไปตาม ขาบขง้งมังนถ้ามุดถงที่มันตาไปยวสีในตายคืออะไรแล้วตอนแากยยิดสีไปรู้ไปเห็นแต่ทีนี่ที่แก ไ, ไ, ไหนนั้นมันหล่กใจมันจึงเกิดเพราะเกิดชาบเด้อยมาเพราะอานาจของกิเลสันแหยอุปาทานตำที่เราแต่ทำเอาไว้ใจยังหนวกบริสุทธ์เหนื่อยใจสืบทน ที่เราไม่ต้องการเกิดอีกมันก็เกิดได้พอมันน่ตายมันข่าเกิดเราจะเลย่อหนึ่งเหนเ่อยเข่ถึงตารถึงเวลาฟาเหนตับงมาเราจะหวั่นลงในสถานที่ใดไมื่อเงาขึ้นเกิดขึ้นถ้าเราหนึ่งลงหนลเร่า ในสิ่งเหล่านั้นมันหมดยางของมันหมดเชือกของมันเราจะไปวางไว้ที่ไหนจะสื่สังที่ไหนมันก็เลยงอให้แล้วเชือกมันหลยมีมีจิตใจของเปล่าท่านดูมันหลงไหลใส่สันระเบิดระเบิดตั้หากับทาหนึงเดียวกันทำเพื่อให้ทำรักทำรักมันได้มันเด่นมันสบางมันสุกจิดแกแตกต่างกับ ระยะที่เราเหนื่อยสัมและมากทั้งๆี่จริงอื่นๆมันมีอยู่ตาแอบผีทั้งมั้นมมีอะไรแผดไปจากพูกูปเตียงตินรลบมันยังมีอยู่ในโลกแต่จิตใจมันเลี้องไหลใส่สังเนื้องกอดเกิดใจในยากได้ใจในตืนเต้นใจในยึดถือความทุก ของติดของไมันก็ไม่มีที่ดึงง่ายเหมือนเง่ไล่ของเราผห็นหไปเบื่อหมดไปแล้วเรายึดถือว่าเป็นของของเราใครก็จะมาหยบย้ําทาไมล่าก็เลยเสียใจที่เห็นเรายึดถือวาเป็นของของเราเราเราเสียใจแม่ไหมอยู่ในตาเราไปจับจองเอาไว้เราจะเอาไปทําอะไรนั้นทิ้งทั้งส่เไรมันเป็นปูกฝัง แย่าเราคิดลูกไทยเนือนไม้ตัวนี้เราจะมาเอาไปทำอันนั้นอันนี้มีคนอื่นเขมาตัดเราไปสองแล้วก็เสียใจนี่จิตใจมันเป็นพิดเป็นภัยอย่างนี้ยึดอะไรเข่าไปมันทำใน้เกิดทุกข์เกิดทุกขด้แผอนจิตให้ทุลิบจิตใจนะคำว่าความยึดความถือของใจในตัวตัววางมันใป ใวางได้ใจใจมัสงบสบายแงแต่นั้ น, จ น, นใจกำลัใจใจสุดทำานียจึงมีทางที่จะสงบ ม, มีทางที่จะเย็นสบายได้ทางอื่นไม่มี้เยี่ยมากขนาดไหนจึงมีอะไรเติมโลกหัวใจมันเลยมีความสงบ แต่ความงไหลมยถใช้แต่ตองอะไรก็ไม่ได้เพรยึดแบบเราแพเรามันเป็นอย่างนั้นใจมันเเป็นทุกทํามันทํ่ถามันรู้โดยอาบโดยทำจริงจงมันไม่ได้ยึเดถือในสิ่งเหนั้นมันกินเงนทุกให้โง่โยเบียดเี็เ็บตางอเขา ทางห้านใจใจต้องทันสถานใจท้อ ง, ง, อ ท, งทันย็นสุดๆสุดในอในทำเป็นนั้นผิดกันก็คือเราธรรมด า, าที่ไมาด้ฝึกไม่ได้รักษาเร า, าิดไปยึดไปติดไ ป, ดไปอยู่เรารักเราชอบเรา ย, ยึดเราผิดแเทาไรอันนั้นหละ จะให้ทเนื้อทุกตัเปลี่ยนใจทั้งตัวมากขึ้นถอดใางได้ไหมมากเท่าไรใจก็สงบสบายได้ไหมไม่เคยมีทางอื่นที่จะรักษาใานอกจากจะปฏิบัติธมเรารักษาตัวของเราเองโดยคนอื่นจะไม่รัาให้แต่สิ่งใดเป็นของของเราเป็นของความ ใจนี้มันจะรักษาขนาดไหนมั้งตเป็นไปตามหนักขึ้นหมนอ้เพริเพริไตัวตายในที่แข่งปีจะต้องตากันทั้งนั้นแล้วแม่งนี้ประมุ่นกันวันนี้ถูกทำเร่งเด็กกันต่อไปอีกมีเรียนปีตีข้างหน้าเดี๋ยวเนนั้นเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้เป็นอย่างนี้คนทีู่กิดตาไป เขาไปสิ่งนี่ใครข้าับจะเป็ี่ยนไปได้นี่ข่าวจ้างเน่หมทานอิ่มหลึงคน้ำขนาดไหนจะดูวลามันจะไปจริงจัมันมีลอะไรตัวอื่นไหมรู้มันเหนียแน่มีรัดได้เวลามันจะิดตามันจะเบีเสียง กับของวันทองมันหน่งเงินเหน่งอะไรเรื่องตัวใจในใจเท่านั้นมันหวงมันหวงมันยึดมันถือกินกวนคนละมันแต่รักษาใจต้องตัวนไหนได้ตอนที่ไหนมันก็เหนื่อยสบายใจที่ไหนมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษเราตั้งหนี้เรื่องนอกในตั้งหนตัวกล้องตัวถือไปยึดไปถือหนี้คือคนที่ไน่มีอาจทํา เนือวกเขมามาภายในในเป็นโอปะณัตยที่งตัวหมือน้องเมาที่นี่ที่ใจมาภายในใจมันจะหลงไหลใส่ฝันเลื่อยใส่แต่น้องเมาภายในที่ใจไงกายใจท้องตัวเด็ดธรรมะมันจะมีทางวัดทางแกะไขมีทางสงบทางยึดใจได้เราจึงควรรักษาใจของเรา แต่เดี๋ยวคนอื่นจะมารักษาให้แต่ใครเขียนใจปฏิบัติปฏิบัติรักษาใจของตัวโดยอดโดยธรรควรนั่นหละชีวิตจะไม่เป็นเหม็นดูในโลกจะมีความสุขหนีจะกโลกอนแล้วต่จะมีความสุขอีกเพราะใจมันสุขใจมันสมาส่วนพบชาว ที่จะก่อเกิดอีกเหมนก่ออาศัยบนธรรมที่ทำเอาไว้ที่ไเราจะพูดปฏิบัติอย่างสงสมีคนติดข้องในใจเราจะเกิดขึ้นอีกได้แต่เราจะพูดปฏิบัติราจะไรแต่ที่พูมาพูสิ่งทุจริตรู้เข้าใจ ไม่มีอะไรที่จะข้องจิตในจิตในใจที่จะชงใสแก้ไขหรือชำระมันอีกอยู่ไปแต่ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นตายไปแต่ไม่มีอะไรจต่เสียหายความบริสุทธินี้เพียงแค่นี้อยู่ไปโม่งจี๋แฉ่งจี๋แต่ไม่มีอะไรที่จะชำระจะบำเพ็ญเพราะความบริสุทธินี้ มันเหนื่อนะจากร ต, ติจากกต่างจากมักจา ก, นะจากสมมุตมันถึงความบริสุท ม, ม, สมันจะสนะอาดของมันเพราะทำ็นตัดจากต่างสันติโกคือเหวี่ยเองโดเฉพาะหนึ่งเพราะชาจะมีอิจฉาเมื่อกรมีทางสงสัถ้ามันถึงบริสุด ตามจะปฏิบัติแล้วถ้า้ามันไม่ถึงที่สุดอย่างนั้นตายแต่เราจะไปสูบกดดันันแล้วก็ท่าตี